พระมหาสัตตร์ตรัสว่าชาวสีพีขัดเคืองเราผู้ไม่เห็นความผิดในเพราะอะไรแน่นักการขอท่านจงบอกความชั่วนั้นแกเราให้แจ้งชัดเพราะเหตุไรพวกเขาจึงขับไล่เราบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าในเพราะอะไรกิสมิงได้แกในเพราะเหตุอะไร คำว่าจงบอกให้แจ้งชัดวิยาจิกขะได้แก่จงกล่าวโดยพิสดาร น, นายนักการกราบทูลว่าพวกคนที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรพ่อค้าชาวนาพระมนณาจารย์พวกกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าพากันติเตียนเพราะพระราชทานพญาช้างต้น เพราะเหตุนั้นพวกเขาจึงขับไล่พระองค์พระเจ้าค่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าติเตียนขียันติได้แก่ขัดเคืองพระมหาสัตว์ได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงโสมนัสตรัสว่าเราจะพึงให้แม้หทไทยหรือจักสุรับคือเงินทองแก้วมุกดาแก้วไพทูลหรือแก้วมณี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 เมื่อยาจกมาถึงยาจะกะมาคะเตได้แก่เมื่อยาจกมาแล้วได้เห็นยาจกนั้นข้อว่าเราจะไม่งดการให้ทานเลยเนวะทานาวิรามิตสังได้แก่จะไม่งดเว้นจากการบริจาคเป็นอันขาดนายนักการได้ฟังดังนั้นเมื่อจะกราบทูลข่าวอย่างอื่นตามมติของตน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 บัรดาคําเหล่านั้นคําว่าแม่น้ําโกติมาราโกติมารายะได้แก่ตามฝั่งแห่งแม่น้ําชื่อว่าโกติมาราคําว่าสู่อัญชะคิรีคิริมารัญชรังปติได้แก่เป็นผู้มุ่งตรงภูผาชื่อว่าอารัญชระด้วยคําว่าตามทางเยนะ นายนักการกราบทูลว่าชาวสีพีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพระราชาทั้งหลายผู้ถูกในประเทศแล้วย่อมไปจากแว่นแคว้นโดยทางใดแม้พระเวสสันดรผู้มีวัดงดงามก็จงเสด็จไปทางนั้นได้ยินว่านายนักการนั้นถูกเทวดาดนใจจึงกล่าวคํานี้พระโพธิสัตว์ได้ทรงสดับดังนั้นจึงมีพระราชดํารัสว่า ดีละเราจะไปโดยมักขาที่เสด็จไปแห่งพระราชาทั้งหลายผู้รับโทษก็แต่ชาวเมืองทั้งหลายไม่ได้ขับเราไปด้วยโทษอื่นขับไล่เราเพราะเราให้คดชสารเป็นทานเมื่อเป็นเช่นนี้เราจักบริจาคสัตตะสั ต, ตกมหาทานสักหนึ่งวันชาวเมืองจงให้โอกาสเพื่อเราได้ให้ทานสักหนึ่งวัน รุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจกไปในวันที่สามตรัชนี้แล้วตรัสว่าเราจะไปตามทางที่พระราชาทั้งหลายผู้ต้องโทษเสด็จไปขอให้ท่านทั้งหลายจงงดโทษแก่เราคืนหนึ่งและวันหนึ่งพอให้เราได้ให้ทานก่อนเถิดนายนักการได้ฟังดังนั้นแล้วกราบทูนว่าดีแล้วพระเจ้าค่า ข้าประบาทจากแจ้งความนั้นแกชาวพระนครและแด่พระราชาทูลดังนี้แล้วก็หลีกไปพระมหาสัตว์ทรงนายนักการนั้นไปแล้วจึงให้เรียกมหาเสนาคุธมาเฝ้ากำรัดให้จัดสัตตะสัตกระมหาทานว่าพรุ่งนี้เราจะบริจาคสัตสตะสัตกระมหาทานท่านจงจัดช้างเจ็ดร้อยเชือกมาเจ็ดร้อยตัว รถเจ็ดร้อยคันสตรีเจ็ดร้อยคนโคโนมเจ็ดร้อยตัวทาตเจ็ดร้อยคนทาสีเจ็ดร้อยคนจงตั้งไว้ซึ่งข้าวน้ำเป็นต้นมีประการต่างๆสิ่งทั้งปวงโดยที่สุดแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้แล้วส่งอามาทั้งหลายให้กลับแล้วเสด็จไปที่ประทับพระนางมัีแต่พระองค์เดียว ประทับบนพระยี่ผู้อันเป็นสิริตรัสกับพระนางนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระราชาตรัสตักเตือนพระนางมาศีผู้มีความงามทั่วสัรพางว่าทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พี่ให้แก่พระนองนางและสิ่งของที่ควรสงวนอันเป็นของพระนองนางคือเงิน ทองแก้วมุกดาหรือแก้วไยทูลมีอยู่เป็นอันมากและทรัพย์ฝ่ายพระบิดาของพระนองนางควรเก็บไว้ทั้งหมดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าควรเก็บไว้นิทะเหยาสิได้แก่เธอควรเก็บทําให้เป็นขุมทรัพย์ไว้คำว่าฝ่ายพระบิดาเปติกังได้แก่ที่เธอนามาแต่ฝ่ายพระชนก พระนางมัตสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสารพางได้ทูลถามพระเวสสันดร น, นั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐม่อมชั้นจะเก็บไว้ที่ไหนม่อมชั้นทูลถามแล้วขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นเถิดบรรดาคาเหล่านั้นคาว่าได้ทูลถามพระเวสสันดร น, นั้นตมะพราวิความว่า พระนางมัซีมีพระดำริว่าทูลกระหม่อมเวสสันดรพระสวามีของเราไม่เคยตรัสว่าเธอจงเก็บทรัพย์ตลอดการมีประมาณเท่านี้เฉพาะคราวนี้พระองค์ตรัสเราจะทูลถามว่าจะโปรดให้เก็บทรัพย์นั้นไว้ในที่ไหนหนอแล้วจึงได้ทูลถามพระเวสสันดร น, นั้นพระเวสสันดรบรมมกษัตริย์จึงตรัสว่าแน่ พระนองมสีเธอพึงให้ทานในท่านผู้มีศีลตามสมควรเพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงอย่างอื่นยิ่งไปกว่าทานย่อมไม่มีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพึงให้ทัดเชสิความว่าแน่พระนองมสีผู้เจริญเธออจะได้เก็บซับไว้ในที่มีพระคลังเป็นต้นเมื่อจะเก็บเป็นขุมซับที่จะติดตามตัวไป พึงถวายในท่านผู้มีศีลทั้งหลายในเว่นแคว้นของเราข้อว่ายางอื่นยิ่งไปกว่าทานย่อมไม่มีนะฮิทานาปรังความว่าขึ้นชื่อว่าที่พึ่งอาศัยที่ยิ่งขึ้นไปกว่าทานย่อมไม่มีพระนางมสสีรับพระดํารัสว่าสาธุครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์ เมื่อจะประทานพระราชโอวาทแก่พระนางให้ยิ่งขึ้นจึงตรัสว่าแน่พระนองมัสีเธอพึงเอาใจใส่ในลูกทั้งสองในพระชนนีและพระชนกของพี่อันหนึ่งผู้ใดพึงตกลงปลงใจว่าจะเป็นพระสวามีพระนองนางเธอพึงบำรุงผู้นั้นโดยเคารพ ถ้าไม่มีใครมาตกลงปลงใจเป็นพระสวามีพระน้องนางเพราะพระน้องนางกับพี่พลาดพลากจากกันพระน้องนางจงสแสวงหาพระสวามีอื่นเถิดอย่าลำบากเพราะจากพี่เลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพึงเอาใจใส่ทะเยสิความว่าพึงเอ็นดูกระทำความเมตตาข้อว่าอันนึ่ง ผู้ใดพึงตกลงปลงใจว่าจะเป็นพระสวามีพระน้องนางโยจะตังพัตตามันเยยะความว่าแน่นางผู้เจริญเมื่อฉันไปแล้วกษัตริย์ใดมาสำคัญว่าเราจะเป็นพัะสดาของเธอเธอพึงบำรุงกษัตริย์แม้นั้นโดยเคารพข้อว่าเพราะพระน้องนางกับพี่พลัดพรากจากกัน มยาวิปะวะเสนเตความว่าถ้าใครใไม่สำคัญเธอว่าเราจะเป็นพัะสดาของเธอเพราะเธอไม่ได้อยู่กับฉันเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจงสแสวงหาพัะสดาอื่นด้วยตนเองนั่นแหละข้อว่ายาลำบากเพราะจากพี่เลยมากิริทธะมะยาวินาความว่า เธอพรากจากฉันแล้วจงยาลำบากคืออย่าได้ลำบากเลยครั้งนั้นพระนางมัสีมีพระดำริว่าพระเวสสันดรผู้พัสดาตรัสพระวาจาเห็นปานี้เหตุเป็นอย่างไรเนาะจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ตรัสพระวาจาอันไม่สงควรตรัสนี้เพราะเหตุไร ลำดับนั้นพระมหาสัตว์จึงตรัสตอบพระนางว่าแน่พระนองมัดสีผู้เจริญชาวสีพีขัดเคืองเพราะฉั้นให้ช้างจึงขับไล่ชั้นจากแว่นแคว้นพรุ่งนี้ฉันจะให้สัตตะสัตกะมหาทานแล้วจะออกจากพระนครในวันที่สาตรัชนี้แล้วตรัสว่าเพราะพี่จะไปสู่ป่าที่น่ากลัวอันเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้าย เมื่อพี่อยู่คนเดียวในป่าใหญ่ชีวิตก็น่าสงสัยบรรดาคำเหล่านั้นพระเวสสันดรกล่าวคำว่าน่าสงสัยสังไยโยโดยความประสงว่าเมื่อฉันผู้สุคุมาลชาตโดยส่วนเดียวอยู่ในป่าที่มีศัตรูไม่น้อยจะมีชีวิตอยู่แต่ไหนฉันจะตายเสียเป็นแน่ พระนางมัสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสารพา n ได้กราบทูลพระเวสสันดรว่าชนะไหนหนาพระองค์จึงตรัดเรื่องที่ไม่เคยมีชะไหนจึงตรัดเรื่องร้ายข้าแต่พระมหาราชข้อที่พระองค์จะพึงเสด็จพระองค์เดียวนั้นไม่ใช่ธรรมเนียมข้าแต่พระมหากษัตริย์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 บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่เคยมีอะภุมิเมความว่าพระองค์ตรัสแกม่อมฉันถึงพระวาจาซึ่งไม่เคยมีหนอคคำว่าจะพึงเสด็จคัดเฉยะได้แก่เสด็จไปคำว่านั้นไม่ใช่ธรรมเนียมเนสัธรรมโมความว่านั่นไม่ใช่สภาวะคือนั่นมิใช่เหตุคำว่า นั่นนั่นและตะเทวะความว่ามอมฉันตายกับด้วยพระองค์นั่นแลประเสริฐกว่าคำว่าในนั้นตัดถะได้แก่ในเชิงตะกรไม้ที่มีเปลวไฟเป็นอันเดียวกันนั้นคำว่าเที่ยวไปเช่สันตังได้แก่ท่องเที่ยวไป พระนางมาสีราชกัญญากราบทูลพระพัสดาอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงพันานาถึงหิมวันตประเทศซึ่งเป็นประหนึ่งว่าได้เคยทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะพูดจาน่ารักนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าจากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ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 พระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุณชรชาติมาตังคะอายุล่วงหกสิปีเที่ยวไปในเวลาเย็ น, ใ น, นในเวลาเช้าเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดกุณชรชาติมาตังคะอายุล่วงหกสิปี เดินนำหน้าขโขลงหมู่ช้างพังไปส่งเสียงร้องกึกก้องโกนจนาศพระองค์ได้ทรงสดับเสียงร้องของช้างที่บรลือก้องอยู่นั้นเมื่อนั้นจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่ให้ความน่าใคร่ในชัดพลาสองข้างทางในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้าย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 เมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงรำแผ่นหางจับอยู่เป็นกลุ่มบนยอดเขาฟ้อนอยู่แวดล้อมไปด้วยนางนกยูงเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีขนปีกงามวิจิต พอมล้อมด้วยนางนกยุงทั้งหลายฟ้อนอยู่เมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีคอเขียวมีงอนแวดล้อมไปด้วยฝูงนางนกยูงทั้งหลายฟ้อนอยู่เมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเ <ฮะ S 2> ม, มื่อใด <WhatsApp S 2> พระองค์ทอดพระเนตร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 และปทุมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้มีเสียงอันไพเราะมันชุกเกได้แก่มีเสียงอ่อนหวานมีถ้อยคำไพเราะคำว่าหมูช้างพังกระเณุสังคัสสะได้แก่กลุ่มช้างตัวเมีย คำว่าโขลงยูทสะได้แก่ไปข้างหน้าโขลงช้างคำว่าสองข้างทางอุพาโตได้แก่ทั้งสองข้างมักคาคำว่าชักไพรวนวิกาเสได้แก่ป่าทึบคำว่าสิ่งที่ให้ความน่าใครกามัทังได้แก่ให้สิ่งที่น่าใครทุกอย่างแก่มอมชัน คำว่าแห่งแม่น้ําสินธุยาได้แก่แห่งลําน้ําคําว่านกเขาที่อยู่วัสมานัทสุลูกัตสะได้แก่นกเขาที่จับอยู่คําว่าสัตว์ร้ายพาลานังได้แก่พาลมะลึกทั้งหลายด้วยว่าในเวลายเย็นเสียงของราชสีเหล่านั้นเป็นต้นเป็นราวกับเสียงดนตรีเครื่องห้า เพราะเหตุนั้นพระนางมัซีจึงทูลว่าพระองค์ทรงสดับเสียงของสัตว์ ร, ร้ายเหล่านั้นแล้วจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติคำว่ารำแผนหางวะระหินังได้แก่แผ่กมหางคำว่าจับอยู่เป็นกลุ่มบนยอดภูเขามัทกาสินังได้แก่จับอยู่ที่ยอดบรรพดเป็นนิดปาถะว่า มัตตกาสินางก็มีความว่าเป็นผู้เมาด้วยความเมาในการจับอยู่คำว่าต้นตำลึงพิมพชาลังได้แก่ต้นไม้ที่มีใบอ่อนแดงคำว่ามีดอกร่วงหล่นโอปุภานิได้แก่มีดอกห้อยลงคือมีดอกร่วงหล่น พระนางมัสีทรงพันน า, นาถึงหิมวันตะประเทศด้วยคาถามีประมาณเท่านี้ประหนึ่งพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ณนะหิมวันตะประเทศแล้วฉะนั้นด้วยประการชนี้หิมวันตะวันน า, นาจบ